นี่เกิดเป็นวันธรรมสวรรคการฟังธรรมโดยการเวลาแล้วก็เป็นมงคลของชีวิตณสมัยก่อนก็ยังไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเป็นมงคลบ้างพระเจ้าก็ตัดปากการฟังธรรมตามการเวลานี้เป็นมงคลของชีวิตเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราก็ อาศัยนะอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราก็ต้องพึ่งพิงนะปัจจัยสี่ในการเลี้ยงชีวิตของเราที่จะให้ร่างกายอยู่ได้แต่ว่าทางใจนั้นถ้าใจของคนเราไม่มีธรมมะอยู่ในใจแล้วเนี่ยที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิเราจะอยู่ในชีวิตตอนไหนก็เป็นทุกข์ทางนั้น เราเป็นเด็กก็ทุกข์แบบเด็กเราเรียนหนังสือก็ทุกข์เหมือนกับตอนเราเรียนหนังสือเราทําการงานก็ยังมีความทุกข์อยู่คนเดียวก็มีทุกข์อยู่สองคนก็มีทุกข์อีกมีครอบครัวก็ยังมีทุกข์เมื่อก่อนเราไม่มีทรัพย์สินสิ่งของคิว่ามันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราจะมีความสุขอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกยังมี ความห่วงความกังวลความยึดความถือตามมาอุปาทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาห <c oughs> นังประจิตของเราเนี่ยมันเป็นว่าตาเกิดมานานเอาวิชาทนาุประทานมันก็อยู่ในใจของเรามานานแล้วเราถึงจะเรียนศึกษาศิลปะวิทยาการทั้งหลายก็เพื่อที่เราจะอยู่ได้นในโลก แต่ว่าตัวองาพิชัธนาประทานนี้ยังเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในใจของเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสเนี่กว่าเราน่โชคดีมีบุญที่ส่งมาได้ร่างกายนี้เป็นมนุษย์ในชาตินี้เนี่ยบุญมากมายทีเดียว เรายัางมีความเริ่มใสในพระพุทธเจ้านะพระธรรมพระสงฆ์สนใจในการปฏิบัติในการสร้างความดีนะใช่าการทำบุญให้ทานพระก็จะพูดบ่อยๆว่าการทำบุญให้ทานเกษรเสละนนี้ก็เป็นพื้นฐานนะเพราะว่าคนเราบางทีก็เกิดขึ้นมาแล้วมันหลงไป คิดว่าจะมีอะไรมากๆขึ้นหรือว่ามีทั้งโลกนี้เป็นของเราไปเลยเราจะมีความสุขนะยิ่งมีอุปทานไปมากขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นใหม่มันยังเป็นสิ่งข้างนอกหรือภายนอกอยู่ยังไม่ได้เป็นสิ่งภายในสิ่งภายในนี้เนี่ยถ้าเราเอาวิชาธนาอุปทานไปมากเท่าไหร่ ออกจากใจเราไปแล้วใจจะมีความสุขฉะ้เราต้องมีธรรมะนะธรรมะในเบื้องต้นก็คงเป็นธรรมะที่เราจะอยู่ได้ในโลกในชีวิตประจำวันของเราให้เรามีสติตามตูจิตของเราว่ามันคิดอะไรทำอะไรแล้วนะก็ตั้งใจที่จะอบรมจิตให้สงบ เพราะบางทีเราก็จะลังเลในกรรมฐานว่าบทไหนจิตของเราจะสงบครูบาแจงก็บอกว่าพุทธโธธรรมโสงโคนะให้เราตั้งใจไปเลยเราจะไม่เปลี่ยนกรรมฐานส่วนมากเราก็มีศรัทธาในพระเจ้าพระธรรมประสองค์อยู่แล้วบริกรรมพุทธโธธรรมโสงโคนี่ให้เป็นอารมณ์เดียว สงบแล้วก็มาพิจารณายกกายก้อนี้พิจารณาที่จิตมันยินดีอยู่ในกายนี่กนละกายเราก็ดีกายบุคคนอื่นก็ดีมันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเนี่ยถึงจะยินดีอยู่ก็ยินดีอยู่ในระดับของศีลธรรมก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเป็นปกติของศีลห้าที่เราจะรักษาไว้หรือว่าถึงวันพระหรือวันเสาร์วัอาทิตย์ เราอจะบางเป็นประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์สัก1วันนะองค์พระชาท่ายกตัวอย่างว่า7วันเป็นวันพระสัก1วันเป็นวันคารวาห6วันนะแต่ว่าทุกวันนี้บางทีวันพระเดือนหนึ่งมีสวันเราก็ขโมยเอานภาพะไปซะอีก เนะหลือสวันสองวันหรือวันเดียวบ้างก็เป็นวันคาวาะไปหมดเมื่อเป็นวันค า, ารวะไปหมดแล้วมันก็ยิ่งจะวุ่นวายนะไม่พอดีเพราะกิเลสนี่มันก็ต้องการมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะท่านจึงตัดไว้ว่านาัตติตัณหาสมานาทีแม่น้าเสมอด้วยตัณหานั้นไม่มีแนะม่น้าหลายสาย ันตกลงมามากๆลงไปทะเลมหาสมุทรไม่เต็มไม่นมีวันอิ่มวันเต็มมันเต็มมันก็้นขึ้นมาเรื่อยๆท่วมไปเรื่อยๆแหละไม่เต็มเห็นไหมย่างเงี้เราจะทาตามกิเลสตัณหาไปตลอดชีวิตของเรานี่เราก็จะมีแต่ความทุกขนะนะ์ใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนนนะ เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติเนือหยใจของเรามีธรรมะนะหาใจของเรามีธรรมะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในชีวิตนี้เนี่ยต้องพยายามรู้ว่ามีความตั้งใจไาชีวิตนี้ของเราที่เหลืออยู่นะเราจะพัฒนาจิตนี้ให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นคือการภาวนาการพัฒนาจิตให้ดีขึ้นสูงขึ้นไปตามระดับ จากที่เราเป็นมนุษย์อยู่แล้วทั้งร่างกายและก็จิตใจเราจะมีความสุขกันได้พอสมควรเ่าจะพัฒนาใจให้เป็นเทวดาในมนุษย์นี้เราก็ต้องระมัดระวังก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต้องอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามานั่นถึงบัคคารวาสธรรมทำสำหรับคลรวา น, นั้นสัจจะคือความจริงใจ ธรรมะคือความข่มใจขันติคือความอดทนจากกะคือความเสียสละเป็นคาวาสธรรมสั จ, จะคือความจริงใจนะจริงใจต่ออะไรจริงใจต่อหน้าที่ของเราที่มีอยู่หน้าที่ของภริยาสามนะีมีความจริงใจก็คือมีศีล มีศีลศีลข้อ1ถึงข้อ5มีความจริงใจตั้งใจที่จะรักษาให้ดีนี่มาสัจจะสัจจะในการสร้างความดีในพรรษาเราจะถือศีลแทดก้ัเนพระเราจะทำบุญทำทานในโอกาสวันอาทิตย์ก็จะมาใส่บาตรหรือใส่บาตรที่บ้าน จะสร้างความดีความเสียรละก็มีสัจจะสัจจะในการจะเลิกเล่าเลิกบุรีก็ต้องอาศัยสัจจนะนะคุณงามความดีอยงนั้นแหะถ้าไม่มีสัจจะในความตั้งใจมันจะโลเลไปเรื่อยพระเจ้าประสงค์แล้วก็มีสัจจะของท่านตั้งใจอยู่จะมัสาสามเดือนตั้งใจถือถุดงงวัดแต่ละข้อทำ ว, ว, วัดเช้าวัดเย็นไม่ขาด ถ้ามีความตั้งใจถ้าท่านมีมีความตั้งใจการปฏิบัติก็ได้ผลน้อยฉะนั้นก่อนมาบวชกันเลยกว่านิพพานสัจจิกรณัตถายะอิมังเอตังกาสาวังขะเหตุตวาทัตตวานคือว่ารภาคกาสาวพระนี้เพื่อจะทําพระนิพพานให้แจ้งคารวะเราก็ตั้งใจแล้วมีสัจจะวันนี้เราก็ตั้งสัจจะจะมีศินห้า หรือว่าศีลแปดในวันพระเราก็ตั้งสัจจะของเราต้องทำแหลนะนะสัจจะไม่โลเลแม้จะมีอารมณ์เข้ามาความรู้สึกของกิเลสจะดึงจิตใจของเราให้ค่อยเควะเราก็ไม่ทําตามต้องตั้งสัจจะของเราให้มั่นคงในการสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลบางทีเมื่อเรามีสัจจะอย่างนี้แล้วเนี่ยอารมณ์เข้ามามาก ท่านวาก็ต้องมีธรรมะก็คือความข่มใจความข่มใจข่มจิตข่มใจข่มรุกความรู้สึกข่มอารมณ์เอาไว้อยากจะพูดจะว่าอะไรก็ไม่ได้แล้ววันนี้นะภรรยาจะทําให้ทุกข์สา ม, มีจะทําให้ทุกข์ก็ไม่ว่าแล้ววันนี้นะลูกหลานทําให้ทุกข์อะไรวันนี้เราก็หยุดหนึ่งวันเนี่คือไม่ให้เกิดอารมณ์โมโหโทโสขึ้นมา เพื่อร่วม ง, งานก็ดีนะเราก็อดนึกข่มใจว่าธรรมะคือความข่มใจของเราไว้นใจนี่บางทีมก็ต้องข่มเอาไว้ปล่อยไม่ได้นะปล่อยไม่ได้ต้องข่มเอาไว้ให้อยู่มันก็เราจะฝึกม้าเป็นพาณิชที่ดีก็ต้องข่มมันให้ได้เออไม่มันวอกแวกต้องฝึกให้สําเร็จ ใจของเรานี่ยต้องเหมือนกันนะ่ยนะ่ะต้องขมไวหรือบางครั้งก็ต้องอดทนนะคันติคือความอดทนเป็นคุณสมบัติของนักปา่านักโพสด้วยน่นะคันติพระพุทธเจ้ายังตัดว่าไว้ว่าคันติปรมังตโปตีติขาคันติคือความอดกั้นเป็นทำเครื่องเผากลียดอย่างยิ่งนะเราลองอดทนดูดิมันจะร้อนไหมนะเวลาเรามีความโมโห โทโสเนี่ยอดอดทนนู่นที่เป็นมันจะร้อนใจของเรามันร้อนมันอยากจะพูดจะว่าจะดา่าจะทุบจะตีจะฆ่าจะฟันจะยิงจะอะไรได้ทั้งนั้นนะ่ะเนี่ยโทสะเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่กลัวใครทั้งนั้นเลยนะกลัวใครหรอโทสะก็ต้องอดทนอดทนว้เป็นศีลถ้าเราไม่อดทนกันเนี่ยโอ้โหวุ่นวาย ในสังคมในโลกเนี่ยไม่มีความอดทนเรบุ่นไหวนะทาตามกิเลสทําตามความรู้สึกของอวิชาตนาอุปทานเราบุ่นวหยทั้งนั้นแหละก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องพิจารณานะถึงความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรเราทําตามกิเลสแล้วก็เป็นเหตุที่เกิดความทุกข์ทั้งนั้นแหะถ้าเราทําตามมาัชคุณงามความดีก็จะมีความสุขก็คือความอดทน วความอดทนนี่สำคัญอดทนต่อหน้าที่การงานอดทนต่ออารมณ์อดทนต่อการปฏิบัติอดทนต่อความเหนื่อยความเมื่อยความหิวยิง่งเส้นแปะ ก, ก็ต้องอดทนบางทีตอนเย็นก็จะหิวแล้วเราก็ต้องอดทนเราเคยสนุกสนานฟังเพลงเล่นเลงอดทนสัก1วันบำเพ็ญศีลบา ร, รมีพระพุทธภูมิจันทร์แง่ก็จะได้บา ร, รมีถ้าทําตา ม, ตามอารมณ์ของเราไปเรื่อยไปก็ ไม่ต้องอดทนอะไรสนุกสนานไม่ต้องขันติก็อดทนหอดกัน้นเป็นธรมเพื่องพพเผาเกลียดอย่างยิ่งจะฆ่ะจาฆนะ่าาคือความเสียสละเสียสละอารมณ์ภายในที่มันเกิดขึ้นเสียสละท ร, รัพย์เสียสละกำลังสติปัญญาต่างๆนี่ เขต้องอาศัยการเสยสระคือจะฆ่านะการเสยสระแต่มีความเสยสระได้แล้วสบายอืมน่าจมาสมัยหนึ่งยังไม่ได้บวชเลยนะไปเชียงใหม่ไปได้คนโทรมาสองอันก็เพื่อนเขาก็อยากจะได้อันหนึ่งมาเขาบอกให้ซื้อมาฝากด้วยก็มันมีอันหนึ่งสวยการหนึ่งก็ไม่สวย อันนั้นก็เป็นธรม ร, รมะอัศจรรย์มากันหลวงปู่ครูบาพ ม, มาจาักรรักษาวัดพระพุทธบาทตากผ้าท่านก็เทศน์ว่าคนเรานะก็มีความเห็นแก่ตัวอันไหนดีก็เอาไว้อันไหนไม่ดีก็ให้คนอื่นไปท่านเทศน์อย่างนี้เราก็เลยว่ากิเลสมันก็ธรรมชาติเราก็เลืเมมเ อ, อ, เอมาเองเราก็เลือกมาเอง เราก็ต่างเอาสิ่งที่ดีไว้เนาะแต่ท่านเทศบาลมันเป็นความเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นเห็นความเกียรตัวอย่างละเอียดเน่ยอย่างถ้าธรรมดาในขั้นศีลธรรมไม่ผิดเราไม่ได้ขโมยใครเข า, เ, เ, ขาเราไม่ได้ไปรักเขามาเป็นของของเราเราจะเอาสิ่งที่ดีไว้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะเป็นเป็นสิทธิ์ของเราแต่ถ้าเป็นธรรมะที่จะสูงขึ้นไป ที่เราจะล่าวางถึงวัตถุทั้งหลายก็เสียสละสิ่งเหล่านี้ออกไปนะเอาสิ่งเหล่านี้ของฤษีให้คนอื่นเข้าไปนะเมื่อเราเสียสละไปได้คือจากะเนี่ยสิ่งที่ได้มันจะเป็นได้ความรู้สึกในใจที่มันเป็นคุณธรรมความดีการที่เราเอาชนะกิเลสได้ในใจของเราในสำคัญมันจะส่งผลหรือ ว, ว่ามีอันิสงมากทีเดียว พต่อมาเมื่อเราปฏิบัติขึ้นมาเราก็จะเข้าไปสู่แก่นของคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ว่าวัตถุสิ่งของภายนอกทั้งหมดนวนแล้วแต่ว่าเป็นสิ่งสมมติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นการที่เราว่าสิ่งนี้ดีไม่ดีเราก็ติดสมมุติหนองสมมุติซะแล้วแท้จริงแล้วไม่มีนั่นะไม่มี สิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้ามองเป็นธรรมะก็มองว่าอันนี้ไม่เที่ยงเสมอกันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้เสมอกันในสุดต้องแตกสลายเสมอกันจึงไม่มีสิ่งที่ดีแล้วไม่ดีสิ่งที่ชอบแล้วไม่ชอบพอมาถึงตรงนี้ใจก็ว่างได้ผ่องใสขึ้นมาเห็นธรรมะขึ้นมานะมีปิติมีความอิ่มใจจึงมีความรู้สึกอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาว่า วัตถุสิ่งของอะไรในโลกนี้ทั้งหมดนะถ้าเราเป็นเจ้าของคนเดียวทั้งโลกนี้ก็ดูแล้วจะไม่มีความสุขอะไรมากมายเพราะว่าโลกทั้งโลกเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่านํา ม, มาทําที่ลึกๆ ล, ละเอียดเนี่ยมันจะมีความสุขมากกว่านั้นถึงปิติถึงความอิ่มใจที่เราได้รู้ได้เห็นอย่างเงี้ยนัดใจก็สบายผ่องใสอิ่มเ อ, อิ ของใสสงบขึ้นมานี่สำคัญนะเพราะนีเบื้องต้นว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ในเพศคารวะนะเราต้องมีธรรมะเหมือนกันนะสำหรับคารวะศรธรรมเพราะเราต้องอยู่กับอารมณ์มากมายต้องมีทั้งความจริงใจหรือศัด จ, จะมีทั้งความข่มใจข่มอารมณ์มีทั้งความอดทนในความเสียสละ ในใจของเราถ้าพิจนารณาดีว่าวันคืนนี้ล่วงไปล่วงไปเราทําอะไรอยู่ชีวิตมันเหลือน้อยแล้วนะวันนี้ก็มีคนส่งข่าวมาแล้วลุงสนอปยสุข์เนี่ยมาก่อนแกก็เป็นคนสร้างสลาหลังนี้เหมือนกันนะเป็นช่างเป็นช่างที่สร้างสลาหลังนี้สร้างสลาหลังพ่อโพธิญาณก็เท้าแก่กรรมไปละอายุเจ็ดสิบแปดเนี่ย เวลาล่วงเลยไปที่มาสร้างสลาหลังบนก็ปีนะศูนย์นะยนะปีผ่านมาก็เมื่อก่อนอายุห้า8ตอนนี้78ดก็มรณภาพแล้วในมาชีวิตเนี่ยอายุไขของคนปัจจุบันนี่นะประมาณ75บห้าร้อยปีคนก็จะอายุน้อยลงไป1ปี ความเจริญทั้งโลกมันก็มีสารพิษมวลพิษมีมะเร็งเข้ามานั่นแหละมีเชื้อโรคอะไรต่างๆเข้ามานะสมัยก่อนก็มีโรคบางอย่างที่คนรักษาไม่หายสมัยนี้ก็ยังมีอยู่มีมากกว่าเก่าซะด้วย อ, อะไรที่เราเรียกว่ามันเจริญขึ้นมามันก็นาความเสื่อมมาด้วยร้อยปีอายุคนจะสั้นไปหนปึ่งปีสองพรอปีอายุคนสั้นไปแล้วยี่สบหปี สมัยพุทธกาลอายุขย100ัยหนึ่งรปีสมัยนี้อายุขยของคน75หปีถ้าอายุ75ปีแล้วเราจะมีอายุเหลืออีกกี่ปีนะไม่นานนะไม่นานอนธตมาก็เหลือไม่นานแล้วเนาะก็จะเหลืออีกแค่21ปีนะกับประมาณเอ่อหเดือนเท่านั้นเองอืมก็ไม่นานย ยอมเห็นไหมว่าปีหนึ่งวัยแปบเดียวนะถ้าล่วงอายุมาประมาณสักห้าสิบปีแล้วหนึ่งปีก็ผ่า น, ปนไปวัยมากแล้วนะไม่ไม่ช้าเลยวดเร็วมากเนี่ยนั่งๆเทศอยู่นี่เทีไปครั้งหนึ่งก็อายุมากแล้วเออโยมมาฟังไอทิ้งอาา้าวบรณนาภาพไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทแล้วเพราะว่าชีวิตเราก็ไม่นานในโลก เราคิดใช่ว่าในโลกนี้นันเราจะเอาอะไรไปเราก็เห็นอยู่ทุกวันที่คนเขาจากโลกนี้ไปยังไม่มีใครเอาอะไรจากโลกนี้ไปได้ใช่ไหมโลกโกโลกนี้เอาไปไม่ได้ดวงอาทิตย์เขา ย, ยึดถือไว้หมดแล้วนะไม่มีใครจะเอาไปได้เพราะร่างกายนี้ที่เราเอาศัยอยู่เราก็ยังเอาไปไม่ได้ก็ต้องทิ้งเอาไ้อีกนะัทธสีเนี่ยเอาไปไม่ได้ เป็นของโลกเขาก็มีแต่ธรรมะกุศลธรรมอกุศลธรรมที่จะติดตามไปเราก็ต้องพยายามที่จะเอาความดีไปนีถ้าเราฉลาดเราต้องเอาความดีไปกระจายเรานี่นะถ้าเรามันโง่ก็มันก็เอาความไม่ดีไปแล้วก็เป็นทุกข์เท่านั้นเออเราจะต้องการไม่ความทุกข์นี่ถ้กิเลสมันเป็นผู้ที่สร้าง มันก็จะสร้างแต่ความทุกข์ให้เราเราต้องพยายามอาธรรมะสร้างใจของเราให้ใจของเรามีที่พึ่งที่พิงอย่างวันนี้แหละพวกเราก็เลยออกมาสร้างใจให้มีที่พึ่งที่พิงเอาไว้แล้วสร้างบุญสร้างกุศลสิ่งเหล่านี้เป็นของเราเ น, นาเป็นของเราจะอยู่ในใจของเราเราทําทานแล้วทุกอย่างมาอยู่ในใจเราตั้งใจรักษาศีลก็อยู่ในใจ พอทานเกษินนี่เราจะพัฒนาขึ้นไปเป็นสมาธิความตั้งใจมั่นโดยคำบริกรรมพุโทโธธรรมสังโคไม่หยุดทำต่อเนื่องในสุดจิตก็สงบเป็นสมาธิแล้วต่อไปพิจารณาก็ปล่อยวางได้เราก็จะได้เห็นธรรมนะอย่างน้อยเราก็เห็นวิมุตตหลุดพ้นชั่วข่าวก็ย่างดีอันนี้แหละนะเป็นสิ่งที่เราคัญทีเดียว เป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเราพยายามสร้างกันเขาไว้นัาจะเกิดคุณงามความดีเอาไว้ในใจใจตรงนี้เมื่อมีแต่สิ่งที่ดีไปเกิดใหม่ก็จะมีบุญกุศลไปเกิดก็จะมีความสุขถ้า พ, พัฒนาขึ้นไปจนว่าพ้นจากทุกข์ทั้งหลายสงสุขก็คือ น, นิพพานเราลงมาก็เป็นพรหมร่องลงมาก็เป็นเทวดาเป็นมนุษย์กขพยายามปิดกัน้นเอายบพรมให้ได้ ไม่ไปสู่อบยภูมิภูมิที่ไม่สบายเราจะไม่ไปนะโรกเปตอสุรกายสาัตวิชานี่ไม่ไปเพราะเราก็ดูจิตเราปัจจุบันนี้และว่าจิตของเราเป็นยังไงไหมมันยึดมันถือมันมากๆมันจะไปภูมิสู่เอาบยภูมิได้นะอันตรายมากนะจิตเนี่ยยึดผสมยึดพาจีวร น, นิดเดียวยังเกิดเป็นตัวเลนตัวไลได้เลยเห็นไหมไม่ได้อันตรายนะเราต้องมีวันที่เราจะปล่อยวางไม่ยึดมันถือมันบ้าง อย่างวันนี้ก็เป็นวันพระ เ, เราจะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนะพระเพื่อปฏิบัติสักหนึ่งวันแล้วจะอยู่บ้านก็ตามจะทําใจก็ร้อยสบายนะตั้งอยู่มั่นในศีลจิตให้ตั้งมั่นในสมาธิให้มีปัญญาสักหนึ่งวันพยายามถึงจะไม่ได้มากก็ได้น้อยก็จะเพิ่มพูนบุญบา ร, รมีของเราเรื่อยไปนะให้ฝึกกิจฝึกใจอย่างนั้นใจของเราก็พ้นจากอํานาจของตัณหา มีธรรมะก็จะมีเป็นมงคลของชีวิตของเราขนะ้ขอให้มีความสุขความเจริญพรอมในยุปนณนะสุขพะพละปริภาณานาสารสมบัติทากันทุกท่านเถิด